น้ำสะอาดกินได้มันเป็นน้ำมว่วงว่าแล้วเขาก็ส่งไปให้สั่งปลาก่อนเจ้าต่องสูรทำหน้าชะงนลังเลแต่เมื่อเห็นเขาพยักหน้าก็ค่อยๆดื่มชิมแล้วในที่สุดก็แทบจะลุกขึ้นเต้นด้วยความดีใจหรือที่จะกล่าวน้ำกินได้จริงๆนายพวกเรารอดตายแล้วทั้งสามยังไม่อาจกล่าวอะไรต่อกันได้ในขณะนี้ผัดกันแบ่งน้ำดื่มจนเต็มกระหายแล้วมองหน้ากันเองไปมากระพริบตาปิ ด, ปด พรานใหญ่กว่าสายตาไปรอบๆเงี่ยวหูสะกดลมหายใจสดับฟังเสียงใดๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากเสียงลมพัดกิ่งไม้แห้งเสียดสีกันดังอยู่อ่อนแอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบไม่มีสำเนียงใดกระโตกกระตากทั้งสิ้นถ้านายกับขยินจะตามเงีทรายสัางปาจะเอาน้ำกลับไปที่พวกเราก่อนผ่านต่อสู่กระสิบมันมาจากความพักดีและห่วงใยต่อนายสาวเป็นส่วนใหญ่เอาละ เองเอาน้ำไปสางปลาข้ากับพานอยากจะตามแง่ทรายแล้วจะหาน้ำกลับไปสมทบเพิ่มเติมอีกน้ำของข้าจะอยู่ในดงโน้นช้าไปไม่ถึงข้าจะต้องไปเอามาให้ได้ขยินบอกแล้วเคลื่อนที่แต่ละพินเหนียวไหลไว้ถอยก่อนขยินเราจะกลับไปยังพวกของเราพร้อมกันทั้ง3คนเรื่องแง่ทรายและเรื่องน้ำของเจ้าเอาไวท้ทีหลังขณะนี้เราได้น้ำพอจะยืดชีวิตไปได้ชั่วคราวแล้วพวกเรากําลังรออยู่ สังปลาสะพายกระบอกน้ำขึ้นหลังแล้วทั้งสามก็รุดกลับมายัางกลางทุ่งอันคณะพักทั้งหมดกลางกระโคมชั่วคราวรอคอยความหวังอยู่ด้วยอาการกระวนกระวายและใกล้จะสิ้นแรงกันเต็มทีทางด้านเชิดาระหว่างที่นั่งกระสับกระส่ายรอคอยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงปืนลั่นกึกก้องขึ้นมันไม่ห่างออกไปนะัก ทั้งหมดพวดพลาดยืนขึ้นด้วยความตกใจและทายอะไรไม่ถูกบุญคำขยับจะแล่นตามเสียงปืนออกไปแต่เชิฐถาจับแขนไว้ย่าดีกว่ารออยู่ที่นี่แหละถึงอย่างไรพวกนั้นก็ไปกัน3มคนมีระพินเป็นหัวหน้าอยู่อีกทั้งคนคงไม่มีอันตรายอะไรหรอกทุกคนนิ่งพวกนั้นยิงอะไรชายยันพึมพำอยู่ในลาคอขึ้นลอยๆแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรอีก ต่อมาไม่กี่อึดใจฝ่ายที่รอคอยก็มองเห็นทั้ง3พากันจ้ำเรียงแถวหน้ากระดานตัดทุ่งอันแห้งผักร้อนระอุมาอย่างรีบร้อนยังไม่ทันถึงหลายเสียงตะโกนทักถามแซดออกไป3มคนที่ครึ่งวิ่งครึ่งเดินกลับมาเข้าถึงยังไม่มีคำตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นสั่งปลาประคองกระบอกน้ำปดออกจากหลังทุกคนก็อุทานออกมาด้วยความปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวตาอันแห้งผากเป็นประกายจ้ำใสขึ้นน้ำครับน้ำ พานใหญ่รับคำพร้อมยิ้มให้คณะนายจ้างของเขานิดหนึ่งประคองส่งกระบอกนั้นยื่นไปให้หัวหน้าคณะเป็นคนแรกเดื่มกันซะก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้ทราบว่าเมื่อคู่เกิดอะไรขึ้น เช็ฐาในฐานะหัวหน้าคณะรับน้ำมาด้วยอาการสงบดินถ่ายใส่กระบอกสำรองแบ่งไปให้พวกพานพื้นเมืองแจกจ่ายกันดื่มเครื่องหนึ่งที่เหลือในกระบอกเดิมส่งไปให้น้องสาวเป็นคนแรกดารินรับมาถือไว้ด้วยมืออันสั่นเทาทั้งสองหลับตาลงพึพรรมพำขอบคุณสวรรค์แล้วยกขึ้นดื่มอย่างกระหายยากที่สุดไม่เคยมีครั้งใดในชีวิตที่หล่อนจะมีความรู้สึกต้องการน้ำเท่ากับครั้งนี้ระวังนะครับค่อยๆดื่มอย่าเพิ่งให้เต็มที่นักกลั้วคอซะก่อน พักอีกครู่หนึ่งแล้วจึงดื่มให้เต็มอิ่มที่หลังไม่ฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายขึ้นเสียงจอมพานเตือนสติมาเบาๆหญิงสาวดื่มประมาณ4ี่อึกตามคำแนะนำนั้นแล้วสะกดกั้นเอาไว้ส่งต่อไปให้ชัยยันและเชษฐาซึ่งดื่มเป็นคนสุดท้ายของคณะนายจ้างทั้งสาดื่มกันเพียงเล็กน้อยในขณะนี้ และจากนั้นหมอดารินกับชา ย, ยันก็ช่วยกันแก้ไขมาเรียทันทีใช้ผ้าขนหนูราดน้ำจนเปียกชุ่มเช็ดไปตามใบหน้าและศีรษะประคองต้นคอขึ้นค่อยๆบรรจงหยดน้ำผ่านเดนฝีปากอันแห้งผากแตกเป็นสะเก็ดนั้นเข้าไปทีละเล็กทีละน้อย พอได้ความชุ่มฉ่ำของหยาดน้ำนักนิรุติศาสตร์เลือดผสมก็เริ่มขยับขยื่นกายได้ทีละน้อยริมฝีปากเผยเฉสั่นไหวระลิกและทันทีนั้นก็อ้าปากออกมาดื่มอย่างกระหายสุดขีดช้ยยันซึ่งเป็นคนประคองกระบอกน้ำให้รีบถอนกระบอกออกจากปากของแม่มสาวทันทีเมื่อเห็นหล่อนดื่มเข้าไปได้อีกสามสี่อึกสเตเกลน้าขอน้าอีก เสียงพึงพมพำแผ่วเบาดังลอดออกมาจากริมฝีปากของใบหน้าที่ยังหลับตาอยู่นั่นพร้อมกับลมหายใจที่ถอนเหือ่อเม่ดารินก้มลงไปกระซิบเรียกข้างหูทีๆกันหลายครั้งมาเรียฮอฟมันค่อยๆขยายม่านตาขึ้นทีละน้อยและแล้วก็ลืมตาสว่างโงพล่งพงกหัวจะลุกขึ้นแต่ชายยันกดไหลไวใ้ให้นอนผาดตักเขาตามเดิมนอนนิ่งๆก่อนเมยังไม่ต้องลุกขึ้นมาเชิดขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกรุณาพร้อมกับยิ้มให้มาเรียเหลียวไปรอบๆจ้องหน้าทุกคน มือยกขุ้นกุมหน้าผากที่มีผ้าขนหนูชุบวางปิดอยู่ร้องออกมาแหบๆนี่ฉันฉันเป็นอะไรไปเธอเป็นลมหมดสติไปพักหนึ่งดารินบอกเจาะแอมเมเนียไปให้ที่ช่องจมูกมาเรียปัดมือออกไปขยับจะลุกขึ้นอีกครั้งแต่ติดที่ชา ย, ยันร้างกายไว้ให้นอนอยู่ในท่าเดิมร่อนร้องออกมาอย่างตกใจระคนประหลาดใจเป็นลมโอ้กอดก็ฉันกาลังเดินอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ใช่หรืออะไรกันนี่เราหยุดพักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เราเดินอยู่ด้วยกันชา ย, ยันตอบคุณกำลังเล่าให้ผมฟังถึงการล่าหมีขาวในโคสเซบูที่มีอุณหภูมิลบ30องศาแล้วคุณก็ล้มลงไปหมดสติพวกเราหยุดกันที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงผานใหญ่สางปลาและขยินเดินล่วงหน้าไปหาน้ำเราทุกคนรอดตายได้ชั่วขณนะเพราะเขากลับมาทันเวลาพร้อมกับน้ำกระบอกหนึ่ง มาเรียเปิกตากว้างอาการของหล่อนตะลึงแลไปยังทุกคนอีกครั้งแล้วมาหยุดหยุดที่ผานใหญ่เป็นความจริงหรือภัยวันแทนคําตอบจอมผานยิ้มให้นิดนึงก้มสีสะลงมาเรียหลับตาลงอีกครั้งกระเดือกน้ำลงคอฉันอ่อนแอลงถึงเพียงนี้เธอหรือไม่น่าเชื่อฉันเสียใจมากที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นภาระและขอบคุณที่ช่วยเหลือ เธอพูเหมือนกับว่าพวกเราเป็นคนใจดําดาวินต่อว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดและเธอก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราหรอกหรือถึงได้เอ่ยในเรื่องนี้มาเรียยิ้มเศร้าๆเจือนลืมตามองดูดาวินแล้วจับมือเพื่อนสาวไปกลุ่มฉันขอโทษถ้าพูดอะไรที่ทําให้เธอไม่พอใจฉันรู้ตัวดีชีวิตของฉันเป็นหนี้บุญคุณของทุกคนเกินกว่าที่จะตอบแทนได้เธอไม่โกรธฉันไม่ใช่หรือที่รักอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มออกมาได้ดบีดมือตอบหนักหน่วง เธอไม่ได้เป็นคนอ่อนแอห ร, รอกเมย์ฉันเองล้มลงตั้งหลายครั้งและเธอเป็นคนชุดฉันขึ้นมาถ้าเธอไม่ล้มสิ้นสติไปซะก่อนคนที่จะล้มก็คือฉันรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ประโยคหลังหล่อนถามอาการมาเรียเป่าลมออกจากปากเบาๆแล้วดึงกายจากอ้อมประคองของชา ย, ยันในครั้งนี้กำลังอันอ่อนเปียกของหล่อนดูเหมือนจะกลับคืนมาแล้วฉันสบายดีแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ฉันจะลืมตาขึ้นเห็นพวกเราทุกคนคับคล้าย ค, คลยัพลาว่าฉันกำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วอยู่ไม่อยู่ก็พบสเตเกลเย็นดักหน้าในมือของเขาถือกติส่งให้ฉันฉันเปิดออกเทด้วยความกระหายปรากฏว่ามันมีน้ำมาสัมผัสลิ้นของฉันเพียงสองส หยเท่านั้นไม่ว่าฉันจะเขย่าและดูดกินมันเช่นไรเธอฝันไปขณะที่หมดสติและระหว่างที่ฝันเช่นนั้นก็คงเป็นเวลาที่ชายยันกรอกน้ําใส่ปากเธอนั่นเองแต่เราไม่กล้าให้เธอดื่มรวดเดียวมากนะักเกรงว่าจะเป็นอันตรายมาเรียนนั่งชันเขา่าเอาผ้าที่เปียกน้ําปิดนิ่งอยู่ที่ใบหน้าคู่หนึ่งก็สบัดผมเหงื่อหน้าอาการกระปี้กระเป๋าแลไปอย่างจอมพาน ไพยวันคุณได้น้ำกระบอกนี้มาจากไหนพระเจ้าองค์ไหนประทานให้แก่คุณมาทุกคนมองไปยังระพินไพยวันเป็นตาเดียวความสงสัยในเสียงปืนที่ต่างได้ยินตลอดจนการกลับมาพร้อมกับน้ำเพื่อยืดชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังเมื่อปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับอาการของมาเรียฮอฟมันหมดสิ้นไปแล้วต่างก็เห็นใบหน้าอันกร้านเรียมเป็นมันนั้นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งปิิสนา ก็อาจจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้สำหรับภาวะเช่นนี้แต่พระเจ้าองค์นั้นมีลักษณะประดุษผู้ผีปีศาจขณะที่วางน้ำกระบอกนี้ไว้ให้เรามันคือแง่ทรายแง่ทรายทั้งหมดอุทานออกมาพร้อมกันอย่างตระึงเพลึงเพลิดและงงงันสุดขีด และโดยที่ต่างยังตื่นตระหนกจับต้นชนปลายไม่ติดนั้นผานใหญ่ก็บอกให้ทราบว่าเขาเคยินส่างปาได้เผชิญกับสิ่งที่ประหลาดมาอาศาจารัช์เช่นไรบ้างดารินได้ฟังถึงกับน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจคลางออกมาเสียงสั่นเครือ โถดูเอาเถอในภาวะอับจนวินาทีสุดท้ายของเราแงซายก็ยังอุตส่าห์เข้ามาช่วยเหลือไว้แม้จะไม่ใช่โดยตรงนักก็ตามสองครั้งมาแล้วที่ปรากฏแสดงออกของแงซายเป็นไปในด้านที่ช่วยเหลือเราครั้งแรกนำไปให้พบกับอาหารและครั้งนี้ก็ทิ้งน้ำไว้ให้ต่างนิ่งเงียบกันไปช่วยขณะหนึ่งด้วยความร้าวุ่นเดาสิ่งใดไม่ถูก สังเกตดูลักษณะท่าทีเงาทรายเป็นยังไงบ้างเห็นการระยะห่างกันสักแค่ไหนในที่สุดเชฟฐาก็ถามขึ้นอย่างเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความคิดหนักหน่วงประมาณ30หลาครับบนเดินสูงชั้นขึ้นไปยืนโผล่ครึ่งตัวอยู่ในระหว่างต้นไผ่ที่แยกจากกันเป็นง่ามหน้าตาของมันก็เหมือนกับผีสิงอย่างเดิมนั่นแหละมันจ้องเสียแยกเขี้ยวจับนองลงมาที่ผมสางตาและขยินอยู่ก่อนแล้วพอเหงยหน้าก็พบกันพอดี คุณตามไปหรือเปล่าขณะที่ขยินกับสางปลาลั่นปืนขึ้นแล้วแง่ทรายหลบหายไปอย่างที่ว่าผมกวาดตามขึ้นไปจนถึงตำแหน่งที่เห็นมันยืนอยู่แต่ยังไม่ทันจะตามต่อไปก็เหลือไปเห็นกระบอกน้ำนี่เข้าซะก่อนไม่เห็นว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์กินได้ก็เลยรีบเอากลับมาช่วยพวกเราก่อนไม่ได้ออกตามต่อแต่มันหายไปได้รวดเร็วมากและไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าตามในขณะนั้นจะพบหรือไม่ แล้วเราจะวินิจฉัยอย่างไรแง่ทรายเอาน้ํากระบอกนี้มาเตรียมไว้ให้เราโดยเจตนาหรือว่าเป็นน้ําที่มันเก็บสํารองไว้สําหรับตัวเองแต่พาหนีไปด้วยไม่ทันเพราะคุณไล่กวดกระชั้นชิดผานายมีสีหน้ายุ่งยากลําบากใจที่สุดโคลงหัวแล้วถอนใจยาวผมสารภาพว่าเดาอะไรไม่ถูกเลยถ้าแง่ทรายมีเจตนาที่ดีต่อเราก็แปลว่ามันควรจะมีสติกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ควรจะหนีเราต่อไปอีกอย่างหนึ่ง สังเกตดูท่าทางในขณะนั้นแงซ า, ายไม่ได้เป็นแงซ า, ายเลยสภาพของมันก็คือไอผีป่าที่หลอกหลอนแล้วล่อเราอยู่ตามเดิมขยินกับสา่งป่า ย, ยิงเพราะความตกใจที่เหงื่อไปพบอย่างกระทันหันไม่คาดฝันโชคดีที่ผมปัดเสียขณะนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าจะกวดจับตัวมันให้ได้และเข้าใจว่ามันมาล่อให้ไล่ไม่ใช่ล่อให้ไล่หรอกแต่ล่อคนที่กําลังจะอดน้ําตายให้ได้พบกับน้ําที่ตักใส่กระบอกมาตั้งเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดารินพูดอย่างช่้ชาชัดเจนและมั่นคงในน้ำเสียงจากลักษณะที่คุณเล่ารูปการมันพิสูต์ให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นโดยไม่มีทางจะให้เข้าใจอย่างอื่นเลยจงคิดดูว่าทำไมแงาซาาจินโผหน้ามายืนล่อให้คุณและอีกสองคนนั่นเห็น นั่นเป็นเจตนาชัดแจ้งที่สุดในการที่ใช้คุณตามเขาขึ้นไปและผลจากการตามนั้นคุณก็ได้พบกับน้ําที่วางตั้งไว้ให้ไม่เห็นมีอะไรจะต้องคิดคลางแคลงเป็นอย่างอื่นเลยสักนิดเดียวเป็นการดีที่สุดแล้วที่คุณปัดปืนของเจ้าโง่สองคนนั่นจะทันมิฉะนั้นเราจะพบกับความเสียใจอย่างที่สุดพรานใหญ่นิ่งอีกหลายคนก็ตกอยู่ในห่วงคบคิดแล้วชายยันท้วงมาเบาๆว่า แต่เธอต้องไม่ลืมที่เลอพินบอกอย่างหนึ่งซะด้วยคือเมื่อใดก็ตามที่แง่สายคิดช่วยเราเมื่อนั้นเขาจะต้องมีสติสัมปชัญญะสำนึกรับผิดชอบกับคืนมาอย่างเดิมมันอาจจะเป็นการบังเอิญก็ได้นะและการบังเอิญชนิดนี้กลายมาเป็นโชคของเราดารินสั่นศีษะไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดเดี่ยวยืนยันว่าไม่จําเป็น ปรารถนาของแง่ทรายที่มีต่อคณะเราทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นภายหลังเมื่อเขารู้สึกสติดีเหมือนเดิมแล้วแต่มันอาจเกิดขึ้นจากอนุสติของเขาก็ได้จำไว้ว่าตั้งแต่เขาแยกจากพวกเราไปเขาไม่ได้กระทําการใดเป็นศัตรูหมายที่จะล้างผ่านเราเลยเพียงแต่อยู่ในความหมายประการเดียวเท่านั้นคือชักจูงให้ตามครั้งที่เรากําลังอดอาหารเขานําเราไปให้พบกับอาหารส่วนครั้งนี้เรากําลังจะตายเพราะขาดน้ําเขาก็นําไปให้พบกับน้ําช่วยยืดชีวิตเราอีกต่อไป คนคนนี้ไม่ว่าจะมีสติในขณะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าสูญเสียสติไปฉันกล้ารับรองได้ว่าเขาจะไม่มีพิษใดๆกับเราเลยก็ทุ่มเอาระพินของเราเกือบกอหักตายไปแล้วเไงล่ะนั่นเป็นการป้องกันตัวเป็นการสกัดก้านยับยัง้งไม่ให้ผานใหญ่จับตัวเขาได้ก็ทําไมเขาไม่ดึงฆ่าผานใหญ่ซะล่ะทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสฉันเห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยของน้อยมาเรียเอ่ยขึ้นบ้างอย่างใคร่ครวน้น งาทายเจตนาวางกระบอกน้ำนี้ไว้ให้พวกเราเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ชั่วขณะหนึ่งเขาต้องรู้ดีว่าพวกเรากำลังจะตายอยู่รอมรรอและที่โผลให้เห็นก็เพื่อรอพานใหญ่กับสองคนนั่นให้ไปพบกับกระบอกน้ำที่เตรียมไว้ให้แต่ถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่ตามเดิม เชษฐาเป็นเพียงคนเดียวในคณะที่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเขานั่งหลีตามองดูกระบอกน้ําซึ่งเปรียบเสมือนน้าทิพวารีที่เกื้อกูลชีวิตของทุกคนไว้อย่างเพ่งพินิษเหมือนจะพยายามตีปริศนาออกไปให้ได้และชั่วขณะหนึ่งก็พบสายตาของพรานใหญ่ที่มองมาก่อนแล้วเป็นความจริงในข้อที่ว่าตลอดเวลาแง่ายไม่ได้อยู่ห่างจากเราเลยแต่วนเวียนอยู่ในรัศมีใกล้เคียงมาทุกระยะอดีตท่านทูตทหาบรบกกล่าวเสียงต่ํำลึก และเรื่องรู้ถึงการเคลื่อนไหวตลอดจนสถานการณ์ของพวกเราดีที่สุดบางขณะก็เดินล่อให้เราตามและบางขณะก็เดินตามหลังเราผมเข้าใจเช่นนี้ตรงกับคุณหรือเปล่าผู้กองผมก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นครับก่อนที่จะพบแง่ทรายและน้ำกระบอกนี้ตั้งอยู่อันเชื่อว่าควรจะเป็นน้ำที่แง่ทรายทิ้งไว้ให้คุณพบร่องรอยของแหล่งน้ำบ้างไหมยังไม่พบขยินยืนยันว่าน้ำควรจะอยู่ในดงทึบข้างหน้าออกไปประมาณกิโลเมตรเศษเษ แต่บังเอิญผมได้ยินเสียงนกกระทาทุ่งร้องอยู่ในผาไผ่าตายซาเลยแวะเข้าไปดูก่อนเพราะใกล้กว่าแต่ก็พบกับความแห้งแล้งแล้วก็พบกับกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ํากระบอกนี้เข้าเชิดถาห ย, ยิบกระบอกบรรจุน้ําไปพิจารณาดูสีสันอันขาวมัวงของมันอีกครั้งลักษณะของมันควรจะเป็นน้ํำม่วกใช่ครับถ้าเช่นนั้นควรจะมีแหล่งน้ําม่วงอยู่ในละแวกไม่ห่างออกไปนี่เองน้ํากระบอกนี้ถูกส่งเข้ามาเป็นการประทังชีวิตก่อนที่เราจะไปพบแหล่งของมัน ระหว่างที่ผ่านใหญ่นิ่งชัยยันก็ขัดมาว่านั่นไม่ใช่ปัญหาที่เรางงหนักกันอยู่ปัญหานั้นมันอยู่ที่ว่าการหมายชื่อชีวิตเราไว้ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรหัวหน้าคณะมองไปทางยอดสหายของเขายิ้มขึ้นๆก็มไม่น่างงอะไรแงไซายก็ดีหรือไอ้ผีกองกอยก็ดีมีความต้องการสออให้เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าจะให้เราติดตามมันไปจนจะไปไหนไปเพื่ออะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากําลังค้นหากันอยู่ ถ้าพวกเราตายกันสหมดก่อนวัตถุประสงค์ที่มันต้องการก็จะสะดุดชะงักไปด้วยเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจเสถิดว่าการเกื้อกูลประทะประทางหรือพยุงให้พวกเรามีชีวิตรอดอยู่ต่อไปจึงควรเป็นหน้าที่ของมัน อย่าโมเปิงงงกับปัญหาที่ว่าแง่ทรายมีเจตนา ม, มีสติสัมปชัญญะหรือไม่ทําไมแง่ทรายขณะนี้ทําให้เราสมมุติฐานว่าถูกชักนําหรือครอบงมโดยผีกองกอยการกระทําใดๆก็ตามของแง่ทรายนับตั้งแต่จากเรามาควรจะเป็นการกระทําของไอ้ผีกองกอยทั้งนั้นแง่ทรายไม่ได้วางน้ําให้แก่เราแต่ผีกองกอยที่อาศัยอยู่ในร่างแง่ทรายต่างหากที่ทําเช่นนั้น ทุกคนเริ่มตาสว่างขึ้นด้วยอาการฉุก ค, คิดคำพูดของเชษฐาพูดรอบคอบถี่ทุวนและมีสุขุมคำเพีรภาพเหนือกว่าคณะพักทุกคนไม่มีใครโต้เถียงขัดแย้งแนวความคิดเห็นนั้นได้แม้แต่ละพินไัยวันเองเชษฐาหันไปทางจอผพานกล่าวต่อไปว่า และคุณก็ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่รีบนําน้ำกระบอกนี้มาให้พวกเราก่อนโดยไม่พยายามจะคิดติดตามแง่ทรายไปในขณะนั้นพวกเราส่วนใหญ่จะมีกำลังเดินบุกบันกันต่อไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำที่นำมาช่วยประทังกระบอกนี้เท่านั้นนี่แปลว่าเจ้าขยยินคุยโวว่ า, วามันจะไปพาไปหาแหล่งน้าเป็นเรื่องเลวไหลยทั้งนั้นนะสิรอให้เราเดินมาถูกยางสดอกลางทุ่งนรกนี่ ชัยยันว่าจ้องตาขุ่นๆไปทางอดีตนายบ้านหล่มช้างผู้ยืนหน้าเสื้อไม่รู้เรื่องจอมพานยิ้มเล็กน้อยชำเลืองมองขยิน่นผมคิดว่าขยิ่นคงไม่เหลวไหล ย, ยกเม่เกินไปนอ ก, รอกครับคงจะมีน้ำอยู่ในดงน้นจริงของมันแต่เรายังไปกันไม่ถึงและได้น้ำจากแงาซรายกระบอกนี้มาช่วยแก้ไขซะก่อนซึ่งก็นับว่าวิเศษที่สุด เพราะมันจะเป็นต้นทุนให้เราบุกบันต่อไปได้ต่อไปนี้เราพอมีกำลังจะเดินหาน้ำต่อทุนได้อีกแล้วไหนๆเราก็บุกบันกันมาแล้วลองมาดูกันสักครั้งว่าขยินพูดจริงหรือพูดเท็จ เช้ถาหัวเราหึ่อหึๆบองดูเจ้านักเลงโตหลมช้างด้วยอารมณ์ขันมากกว่าที่จะโกรธเคืองหรือเดือดเนื้อร้อนใจเกินไปนักผิดกับพวกลูกหาบทั้งหลายที่สบดดาขยินกันพำรรและทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะยามเมื่อระยะเวลาผ่านไปด้วยความอ่อนเปรีย้ยเพียงโดยยังไม่พบแหล่งน้ำสักที มันก็ต้องเป็นอย่างที่คุณว่านั่นแหละผู้กองเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแต่พับผ่าเถอะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเมื่อคืนมันบอกกับผมว่ามันได้กลิ่นเกษรว่านเสนจันทร์ลอยมากระทบจมูกและเช้าวันนี้เป็นต้นมาเราก็เดินค้นหาต้นแหล่งของกลิ่นนั้นโดยการนำของมันผมนึกไม่ออกเลยว่าว่านเสนจันทร์หรือว่ากลิ่นดอกไม้ใดๆในโลกนี้มันจะสามารถโชยกลิ่นได้ไกลจนถึงขนาดเดินค้นหาติดต่อกัน 3-4 ี่ชั่วโมงมาแล้วก็ยังไม่พบคำนวณระยะทางเดินไม่ต่ำกว่า20กิโ แบบนี้จองพันเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้หันไปส่งภาษาถามความขคยินแล้วบอกกับคณะนายจ้างว่า มันบอกว่าจมูกคนย่อมไม่เหมือนกันครับความจริงสเสน่จันชลยมาจากต้นแหล่งตามลมมาถึงที่พักของเราเมื่อคืนรัศมีห่างเพียงไม่เกิน 5-6 กิโลเมตรนี่เองแต่ที่ต้องเดินไกลกินเวลานานก็เพราะสภาพของป่าและเขาซึ่งทำให้ต้องเดินอ้อมมันยังยืนยันอีกด้วยว่าน้ำที่แง่สายใส่กระบอกนามาทิ้งไว้ให้จะต้องเป็นน้ำจากแหลงที่สเสน่จันขึ้นและมันกาลังจะนาเราเข้าไปนั่นเอง ก็เข้าเขาน่าจะสมจริงอยู่เหมือนกันเราอาจจะเข้ามาใกล้แหล่งน้ำเต็มที่แล้วไม่งั้นแงซายจะเอาน้ำมาให้เราได้จากไหนดารินออกจากคอยตามทุกคนดื่มน้ำกันจนเต็มอิ่มได้รับความช่ำชื่นและมีกำลังขึ้น น้ำในกระบอกนั้นภายหลังดื่มกินกันเต็มกระหายแล้วยังพอมีเหลือบรรจุกระติกขนาด1ลิตรได้อีก2กระติกและนั่นคือทุนสำรองที่ทั้งคณะจะเดินหนักกันต่อไปจนกว่าตะวันจะตกดินมันพอเพียงสำหรับการที่จะสแสวงหามาเพิ่มเติมถ้าคำพูดของขยินไม่เลื่อนลอยเกินไปนะความขาดแคนจับสบีนครั้งที่มีติดตัวมาอย่างจํากัดทําให้ทุกคนเลิกสนใจกับอาหารกลางวันและเลยผ่านมันไปเสียเพื่อรวบยอดเอาในมื้อเย็น การได้น้ำมากั้คอรประทางตายก็นับว่าวิเศษสุดแล้วพอกำลังกลับมามีเก็บมานะกัดฟันเดินต่อท่ามกลางแสงแดดอันแผดเปรี้ยงในยามบ่ายปานจะหลอมทุกสิ่งทุกอย่างให้มอดไหม้กลายเป็นจุนไปความร้อนทำให้บัญอรกําลังอ่อนเปี้ยลงอย่วดเร็วและเหน็ดเหนื่อยกว่าการเดินในทุกครั้งที่ผ่านมาแต่กานั้นก็กํากันไปอย่างทอรหดสุดยอด คันแล้วก็บรรลุขอบดงดำต้นไม้เริ่มเขียวสดขึ้นเป็นลำดับเต็มไปด้วยกิ่งใบที่แผ่ปกสอดประสานกันจนแลดูเหมือนหลังคามะฮือมาที่สิ้นสุดไม่ได้ปกคลุมอยู่เบื้องบน มีเถาวันใหญ่น้อยทอดเรือเกี่ยวพันและเชื่อมโยงติดต่อกันเต็มไปหมดจนไม่สามารถกำหนดต้นหรือปลายของมันได้บางแห่งก็กอดเกี่ยวประสานกันเป็นรูปลักษณะต่างๆราวกับมีใครมาประดิษฐ์ไว้นอกจากไม้ดึกดำบรรยืนต้นเงนคอตั้งขนาดอย่างต่ำก็ 3-4 มี่คนโอบขึ้นไปแล้วก็ล้วนเป็นป่าเถาวันทั้งสิน้นแลไปก็เหมือนป่าโลกร้านปีในภาพวาด แลพินหยุดพิจารณาดูป่ารอบตัวอย่างถี่ถ้วนเหมือนจะช่างใจอะไรบางอย่างขยินก็เหงื่อจมูกสูดร่อนไปในอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเงียบกริบได้ยินแต่เสียงลมหายใจหนักๆของแต่และคนดารินเปิดกระติกออกจิบน้ําอีกครั้งด้วยความกระหายจนสุดทนแต่แล้วขณะที่หญิงสาวแหงหน้ากรอกกระติกเข้าปากนั่นเองก็ต้องชะงักจ้องตะลึงอยู่ในท่านั้น ลรงจะอยู่ในอาการเช่นนั้นนานสักเท่าไรไม่มีใครสังเกตต่อเมื่อขยินโบกมือทําสัญญาณให้ออกเดินตามทิศทางชี้บอกของมันต่อไปแลนะทุกคนเริ่มเคลื่อนเช่ถาถึงหันมาพบอาการของน้องสาวเพราะดารินไม่ได้ขยับขยื่นกายเหมือนคนอื่นน้อยพี่ชายจ้องหน้ากระซิบเรียกอย่างแปลกใจดารินยังคงจ้องนิ่งไปยังทิศทางเดิมไม่เปลี่ยนด้วยดวงตาเบิกกว้างแต่กระซิบตอบมาว่าที่ซุ้มถาวรบนโคกนั่น อะไรทำไมเชิดตาถามเร็วปื๋หันไปมองตามสายตาของดารินห่างจากตำแหน่งที่ทุกคนรวมกลุ่มเข้ากระบวนกันอยู่ขึ้นไปทางขวามือประมาณสามสิบล้าเป็นเนินปลูกใหญ่ถูกล้อมพันหนาด้วยต้นเถาวันซึ่งปราศจากใบขนาดเท่าลำแขนลักษณะเหมือนไคถักเถาวันช้างครอบเนินบริเวณนั้นไว้ดูอีกทีก็เหมือนวงเส้นขมวดพันุ์ที่วาดไว้ด้วยศิลปะแบบแอสแทกของจิตรกรและนั่นคือเป้าหมายการจ้องมองของดารินในขณะนั้น นอกจากความหนาทึบแน่นขนาดของวงรัศพนของเถาวัลย์ที่กอดเกี่ยวประสานกันยุ่งเหยิงเช่ฐาค้นไม่พบความผิดปกติใดๆเมื่อหยกยกนี่เองเสียงดารินเกือบไม่ผ่านลำคอมาริมฝีปากที่พูดพเพยอเขมุกขมิบจนเชิฐาแทบจะไม่ได้ยินต้องเอียงหน้าเข้ามาใกล้ น้อยเห็นคนยืนอยู่ในซุ้มถาวั น, นั่นโผล่หน้าออกมาเห็นได้ถนัดที่สุดมันจ้องและยิ้มมาที่น้อยอึดใจใหญ่ๆทีเดียวที่น้อยจ้องมันอยู่พอพวกเราเริ่มเคลื่อนไหวมันก็หลบแวะไปแง่ทรายดารินสันหน้ากัดริมฝีปากแน่นตา ย, ยังไม่ยอมเปลี่ยนที่อยู่เช่นนั้นไม่ใช่ค่ะใครก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหรือคิดว่าจะเห็นมาก่อนหน้าตอบผิวติด ก, กระดูกตาลึกใหญ่หัวล้นเกลี้ยง รู้สึกว่าจะห่มผ้าย้อมเปลือกไม้สีคล้ำๆเหมือนพัาุดงมีอะไรดำๆเป็นพวงแขวนคอด้วยคล้ายลูกประคำมันมันจ้องและยกมือขึ้นกวักมาทางน้อยเชฐดาหันขวับไปทางนั้นอีกครั้งโดยเร็วจังหวัดนี้เองคณะทั้งหมดก็เริ่มรู้สึกถึงอาการอันผิดสังเกตของพี่น้องทั้งสองเดี๋ยวหลังกลับมามองรัินทำสัญ ญ, ญาณให้หยุดเดินตนเองชายยันไดมาเรียก็ย่องเข้ามาสมทบกับเชิาดารินผู้ยังยือนอยู่ที่เดิม มีอะไรผิดปกติหรือครับผานใหญ่ถามดาวรินนิง่งสุดตัวลงนั่งต่ำลงกับพื้นพยายามสอดสายตามองค้นหาในมุมต่างๆโดยไม่สนใจกับการมองอย่างสงสัยของพักพวกคนใดทั้งสิ้นเช่ขาก็บอกให้คณะพักทราบในสิ่งที่น้องสาวบอกอีก3ามคนจึงหันขวับไปยังด้านนั้นโดยเร็วประสาท ต, ตื่นชัน จอมพานจ้องนายจ้างสาวอย่างคลางแคลงไม่ใช่ภาพร้อนเหรอครับกลางวันแสกแสงนะในพานแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่มุมมืดอะไรนักจนควรจะทําให้คิดว่าตาฝาดดาวรินตอบอย่างมั่นใจกัดริมฝีปากแน่นลุกขึ้นอีกครั้งขยับตัวและจรดฝีเท้าย่องเข้าไปดูแต่ชายยานันควาแขนไว้สักก่อนอย่าเพิ่งน้อย ทำไมเธอถึงเห็นมาเรียกระซิบถามขึ้นบ้างปลดไดร์ฟเลอร์จากไหลลงมาถือไว้บังเอิญฉันเหนื่อยขึ้นดื่มน้ำแล้ไปเจอเข้าพอดีสาบานได้ว่ามันยังจะต้องหลบอยู่หลังพุ่มเถาวันนั่นแหละสัตว์อะไรอย่างหนึ่งกระมังเพื่อนชายสาวเสียงหังมนุษยวิทยาสาวสั่นศีษะยืนยันในเสียงแน่วแน่เช่นเดิมคนไม่ใช่สัตว์อะไรทั้งสิ้นถ้านอกจากแง่ทายแล้วหากจะมีคนอยู่ในนรกดำแห่งนี้ก็เห็นจะเป็นพวกเราแค่สิบอ็ดคนนี้เท่านั้น ระผินปาดตาเงี่ยวหูแล้วย่องกลิบเข้าไปอย่างเป้าหมายที่ราชาสกุลสาวชี้บอกในทันทีนั้นคณะนายจ้างทั้งหมดก็สืบตามหลังมาด้วยอย่างแผ่วเบาทุกคนกระชับปืนพร้อมอยู่ในมืออ้อมเลาะไปทางเบื้องหลังเนินปวกเตี้ยๆลูกนั้น กองพันก็มาหยุดยืนตาลุกโพรงอยู่ที่กึ่งทาวันอันหนึง่งขนาดเท่าแขนทอดสูงกว่าระดับพื้นประมาณ3ฟุตขณะนี้มันกำลังแกว่งไกวกับเพื่อพยาอยู่เป็นจังหวะเหมือนกับว่ามีอะไรมากระทบและผ่าไปจ่างรวดเร็วก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงเพียงเล็กน้อยแรงสปริงของกวานแกว่งนั้นยังคงเหลืออยู่เล็กน้อยและค่อยๆช้าลงเป็นลาดับ เขาก็เหงย่อพูดขึ้นโดยเร็วค้นหาร่องรอยไปรอบๆแต่นอกจากรอยเถาวัลที่ถูกกระทบไว้แล้วก็ไม่ปรากฏอะไรให้เห็นเป็นที่สังเกตได้อีกคนอื่นๆก็ตึงเครียดขึ้นในบัดนี้ช่วยกันมองค้นไปทั่วๆ น้อยตาไม่ฝาดมีอะไรป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้จริงๆมันผ่าไปก่อนที่เราจะเข้ามาถึงเพียงคู่เดียวเท่านั้นมาเรียพูดตื่นเต้นจองผ่านก้าพูดพูดเลาะลัดเข้าไปตามซุ้มถาวันอื่นสอดตามองไปทุกด้านเท่าที่จะสามารถได้แล้วก็เพนกลับเข้ามารวมกลุ่มคิดดูให้ดีสิครับคุณหญิงที่เห็นนะ่ะแง่ท า, ายหรือเปล่า ฉันขอยืนยันอีกครั้งว่าภาพที่ฉันเห็นเมื่ออึดใจที่แล้วไม่ใช่แง่สายลักษณะไม่มีอะไรใกล้เคียงกันเลยสักอย่างเดียวแม้แต่เสื้อผ้านุ่งห่มหน้าตาตลอดจนรูปร่างแล้วมันเป็นใครชา ย, ยันโพ้องออกมาต่างนิ่งงนันจ้องตา ก, กันเองอยู่ไปมา <c oughs> เห็นอยู่เป็นเวลานานสักเท่าไหร่แล้วน้อยมาเรียกกล่าวถามต่อมาอย่างรวดเร็วภายหลังจากนิ่งอึ้งไป ประมาณ5หรือ6วินาทีเห็นครั้งแรกมันโผล่ออกมาครึ่งตัวยืนจ้องฉันอยู่ก่อนเฉยๆต่อมาก็สยะยิ้มแล้วต่อมาก็ยกมือขึ้นโบกกักคล้ายๆจะเรียกเป็นปฏิกิริยาติดต่อกันสามช่วงจังหวะการเคลื่อนไหวจะเรียกว่าตาฝาดได้ยังไงหลักฐานที่เห็นทวันนี้ไวพ ร, ยริย์เพริยาบอยู่นี่ก็พิสูจน์ชัดแล้วทาไมน้อยไม่เรียกหรือบอกพวกเราให้รู้ในทันทีที่เห็นครั้งแรก เชดาเข้ามาจับแขนน้องสาวไว้ทุกคนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นอย่างไรชอบกล น, นอกเหนือไปกว่าความกังวลในร้อยแปดพันประการที่มีอยู่เดิมน้อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะมันตะลึงไปหมดรู้สึกคล้ายคอตีดจะร้องบอกอะไรก็ไม่มีเสียงประสาทมันแข็งค้างชาไปหมดเหมือนถูกผีอัมหัวหน้าคณะหาันไปทางพานใหญ่ได้ร่องรอยอะไรบ้างไหม ไม่มีเลยครับนอกจากรอยเถาวันแหว่งที่เห็นอยู่นี่พื้นแข็งมากและถ้าเป็นความจริงมันก็ไปได้เร็วๆ เ, เท่ากับอาการของสัตว์ป่าเอ๊ะชักไม่เข้าทีแฮะชัยยันพืมพามแยกเขี้ยวออกมาให้มันเป็นสัตว์มหาศาลรูปก้างแปลกประหลาดพิสดารอะไรยังดีเส ก, กว่าที่จะให้มันเป็นคนเพราะคนบ้าบอที่ไหนจะมาเดินอยู่ในดงนี่แล้วทําอาการพิลึกอย่างที่น้อยบอกความจริงน้อยเป็นคนมือไวที่สุดทําไมไม่ลองซัดเข้าให้สักเปรีย้ยงตอนที่เห็น ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันตะลึงไปชั่วขณะทําอะไรไม่ถูกนอกจากมองดูมันเฉยๆมันรู้สึกตัวเคลื่อนไหวได้ก็ตอนที่พี่ใหญ่สะกิดให้ออกเดินนั่นแหละผ่านใหญ่สอบซักถึงรูปลักษณะอีกครั้งอย่างถี่ถ้วนดาวดินก็อธิบายให้เขาทราบเท่าที่สายตาของหล่อนจะมองไปเห็นไม่ใช่คนต่าประเภทตองเหลืองหรือสางเขียวไม่ใช่ลิงใหญ่หรือผีกองกอยและลักษณะเหมือนพวกชีประขาหรือนักพจนักบวชอะไรทํานองนี้แหละรูปร่างผอมสูงเหมือนผีตายซากก่ากอายุไม่ถูก แล้วหล่อนก็หันไปชี้ที่กลุ่มเถาวันตอนหนึ่งพูดหนักแน่นจริงจังว่านี่มันล่อหน้ามาให้เห็นเครื่องตัวตรงเถววันซุ้มนี่แหละพอพี่ใหญ่เข้ามาเรียกฉันมันก็หลบแวบบบังมุมต้นไม้รกยังจำหน้าติดตาละผินภัยวันหน้าเกลียยไปด้วยเรีวรอยทุกคนไม่ได้ยินเขาเอ่ยอะไรขึ้นอีกในขณะนั้นริมฝีปากแห้งผากทั้งคู่เปิดปเผยเ อ, ออและเห็นฟันหน้าทั้งสองที่เน้นเข้าหากัน ขณะนั้นพวกลูกหาบที่ยืนเข้ากระบวนรอกันอยู่ไม่ห่างออกไปนักเห็นคณะนายจ้างเข้ามารวมกลุ่มค้นหาและซุบซิบอะไรกันอยู่นานผิดสังเกตก็โปร่งหากปรงจากบาถือปืนเข้ามาสมทบควรใช้พวกนั้นรู้ด้วยไม่ว่าน้อยพบสิ่งประหลาดพิสดารเมื่อหยกหยกนี้เช่ฐทากระซิบถามเดี๋ยวนี้พวกเรามีกันอยู่11ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายในทุกสถานการณ์ชัยยันให้ความเห็นแทนมาคลึงเครียด อะไรก็ตามที่มันมาในรูปไม่ชอบมาพากลการที่จะปกปิดอัมพรางพวกนั้นไว้มันมีแต่อันตรายควรจะให้รับรู้ไว้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกนั้นจะได้เตรียมตัวไม่ประมาทส่วนที่เกรงว่าพวกนี้จะเกิดการรุนเร่เสียขวัญมันก็ไม่มีเหตุผลทั้ง6คนนั่นเป็นมือชั้นหัวกะทิทั้งสิ้นร่วมผ่านเหตุการณ์รุนแรงร้ายกาสารพัดชนิดเคียงคู่กับเรามาแล้วจึงไม่มีอะไรที่พวกเขาไม่ควรจะรู้จอมผานก้งศรีรษะลงนิดหนึ่งคุณชายยันพูดถูกครับ เราควรจะให้พวกนั้นรู้ไว้ด้วยดังนั้นเมื่อบุญคํากับพวกกรูกันเข้ามาถึงจึงได้รับทราบโดยไม่ปกปิดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทุกคนมีอาการตื่นเต้นตระหนกระคนปนประหละใจไม่น้อยไปกว่ากลุ่มนายจ้างผีขยินกับสางปลาร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันถ้ามันเป็นผีพวกเราก็จะโล่งอกไปได้มากเพราะผีไม่มีตัวตนมีแต่ภาพหลอนสําคัญมันจะเป็นอะไรไปมากกว่าผีนะสิหัวหน้าคณะตอบเสียงหนักแน่นในลําคอแล้วแหลไปทางจอมผ่าน เอาอยัางไงดีสิ่งที่เราจะทําในขณะนี้ก็คือตั้งเป็นข้อสังเกตรับรู้และระวังตนไว้อีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเก็บเอามันมาสนใจเดินตามแผนเดิมของเรามุ่งหาแหล่งน้ําและติดตามแง่ทายเพื่อเอาแผนที่คืนต่อไปเราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่มันจะมาเกี่ยวข้องกับเราเองซึ่งจะแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะสุดแต่สถานการณ์แล้วเขาก็ชวนให้เดินต่อตามเส้นทางของขยิน เวลาผ่านไปก็ยิ่งลึกเข้าไปท่ามกลางป่าเถาวันอันมีลักษณะแปลกๆสัญญาณหรือร่องรอยของสัตว์ยังเงียบเชียบอยู่เช่นนั้นดูราวกับว่ามันจะเป็นป่าที่ปลอยจากชีวิตทั้งมวลเว้นไว้แต่พืชดึกดำบรรซึ่งมาเรียกะสซิป บ, บอกดารินว่าแม้แต่นักพฤกษศาสตร์เองถ้าเข้ามาเห็นก็คงจะจำแนกไม่ถูกและบ่นเสียดายที่สามีของหล่อนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะหมดโอกาสที่จะมาเห็นด้วย จะอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันสังเกตเห็นเถาวัลย์บางชนิดมีอาการคล้ายจะกระดิกเคลื่อนไหวได้เหมือนงูั น, น